คือตอนเนี้ยเราหลงไปเป็นตัวสังขารปรุงแต่งแล้วเราก็ยังไม่เห็นเราไม่เห็นเราเลยหลงปรุงปรุงอยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าไอตัวที่พยายามเนี่ยที่บอกว่าจะพยายามพยายาม พยายามแล้วมันได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างรับแควนใจแล้วก็ตัวเราจะพยายามให้มันหลุดออกจากอะไรเราก็ไอความพยายามที่เราจะตัวเราหลุดออกจากอะไรอไอตัวนั้นไอความที่รู้สึกว่าเราพยายามจะช่วยตัว้รยหลุดออกจากอะไรน่ะมันเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งพอมันไม่มันพยายามมากๆครับทีมก็ขับแควนใจแล้วเราก็ไอตัวขับแควนใจเนี่ยเป็นตัวเรา แล้วเราก็รู้สึกว่ามีตัวเราที่จะต้องพยายามที่จะออกจากอะไรเราก็เลยเอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วก็ตัวเราไปพยาพยามพยายามพยายามที่จะออกจากอะไรตัวอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราไปติดอยู่มันออกได้ไม่ได้บางทีเราก็คับแค้นใจบางทีเราก็ไปมีารมออกไปข้างนอกเลยตอนเนี้คือโยมประเข็มเนี่ยไม่เห็นมัน คือไปเป็นคนเป็นมาเลยไปเป็นคนพยายามคนดินน้นรนคนมีอารมณ์เลยมันไม่เห็นสังขารเลยหลุดไปเป็นสังขารหลงไปเป็นสังขาร แ, แต่เพราะไม่เห็นสังขารว่าเนี่ยมันกําลังหลงเอาตัวเราไปสังขารไปปรุงไปคิดไปปรุง <S 1> <S 1> <S เราแท้เป็นวิญญาณแท้ๆหรือใจแท้ๆหรือจิตเดิมเดิมแท้ๆเปแต่มีแต่ความรู้เป็นธาตุรู้ที่ตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจคิดปรุงได้ไม่อาจจะคิดปรุงแต่งอะไรได้เลย มีแต่ความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติจักรวาลมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีมีแต่ใจที่สงบระว่างเปลา่าเรา Tyler, แท้เนี่ยเป็นใจที่มันใจหรือจิตเดิมแท้หรือว่าวิญญาณแท้ๆเนี่ยเป็นแต่กวามีแต่ความสงบสงบจากความปรุงแต่งคือไม่อาจปรุงแต่งได้และมีแต่ความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติจักรวาลเป็นแค่นั้นเนี่ยเรามาจากจักรวาลเดิมคืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้ ติดนังสือลุงตามหาบัวเล่มนี้เห็นว่าอาวาการแห่งจิตเดิมแท้หรือลุงปู่ดูลนัตโลว่าเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อกับคืนสูส่นี่นะมหาสุญญาตาหรือจั ก, กรวาลเดิมคือเราแท้แทไม่มันไม่ได้มันไม่อาจคิดปรุงแต่งได้ไม่อาจมีอารมณ์ไม่อาจมีการกระเพื่อมไม่อาจไหวตัวเลยได้เลยมาจากความว่างเปล่าจากตัวตนมาจากความว่างเปล่าจากความปรุงแต่งใดๆทั้งหมดแล้วก็มีความคิดความนึกความรู้สึกความตึกความตองความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็มีร่างกายขึ้นมา ไอ้ความคิดความนึกความตึกความตองความปรุงแต่งเนี่ยก็คือพลังงานร่างกายมีร่างกายขึ้นมาจากกินสัพผสมพัน์ของพ่อกับแม่คือธาตุดินก็คือจเพิ่มธาตุน้ำไข่ของแม่และกินสัพพืชสักสัตว์กินกินน้ําแม่ก็กินน้ําน้ํากินสากพืชสักสัตว์กินดินกินน้ํากินลมกินไฟกินความร้อนเข้าไปก็เลยมีร่างกายขึ้นมาก็เป็นสสารส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเป็นพลังงาน แต่เดิมเนี่ยมันมาจากความว่างแล้วก็เป็ น, เ ป, นเป็นพลังงานขึ้นมาเขาเรียกว่านา้ำแล้วก็เป็นรูปขึ้นมาคือมีร่างกายขึ้นมาเรียกว่ารูปดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงค้นพบตรงนี้เรียกว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งผสมกันติดเนี่ยสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ก็เลยปรุงแต่งผสมกันติดเพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณมาแล้วเนี่ยธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยมาแต่ที่ความธาตุรู้ที่สิ้นอวิชชาสิ้นความหลงแล้วเนี่ยแท้จริงธาตุรู้แท้แท้เนี่ยหรือวิญญาณแท้แท้มีแต่ความว่างเปล่าปรุงแต่งไม่ได้ไม่อาจปรุงแต่งได้มาแล้วลอยมาแล้วแล้วเข้ามาผสมกับสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ที่แม่กินสากฝืนสากสว์กินน้ากินดินกินลงกินไฟกินเข้าไปผสมธาตุแล้วก็พอก้อนเลือดโตพอสมควรแล้ววิญญาณมาแล้ววิญญาณคือความว่าง ตัวตนไม่มีเราเป็นความว่างเปล่ามันธรรมชาติเนี่ยมีแต่ความรู้เป็นธาตุรู้ไม่อยากคิดได้ไม่อยากปรุงแต่งได้พอเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือสเปิร์กของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันติดแล้วก็สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณมาแล้ววิญญาณมาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเห็นไหมทําไมท่านไม่ได้ตัดว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดรูปนามวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเนี่ย คือมันมีเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาก่อนเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้วก็ก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นรูปที่สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสาลายตนาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่งมีมาที่หลังนะพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมจะได้เห็นอย่างนี้อืเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารมันเลยสร้างภพสร้างชาติไว้เนี่ยไปสร้างวันมันสร้างไว้แต่ก่อนตายนะไม่ใช่ว่าตายแล้วไปสร้าง มันสร้างไว้ตั้งแต่ก่อนตายเพราะอาวิชชาเนี่ยคือไปยึดอะไรไว้เดี๋ยวก็ยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่อยู่ตลอดเวลาพอยึดปุ๊บเพราะอาวิชชาความไม่รู้ก็ไปยึดไปหลงยึดพอหลงยึดปุ๊บก็ไปจับจองไปจับจองไว้ก็คือไปสร้างเขาเรียกว่าไปปรุงแต่งสร้างสร้างสิงส่งนั้นไว้เหมือนกับยายคนหนึ่งยายแก่คนหนึ่งที่ยายแก่ๆคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มัน่นภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธอยู่ แต่ความห่วงใยหลานสาวความห่วงใยหลานสาวหลานสาวเขก็มีครอบครัวแล้วแต่ห่วงใยเขาความรักหลานห่วงใยหลานภาวนาพุทโธพุทโธแต่จิตมันแล่นเข้ากับแล่นเข้าไปในท้องหลานอยู่บ่อยๆคือคิดถึงหลานก็ไม่รู้ว่ามันมันมีโทษไรแรงแต่ภาวนาพุทโธพุทโธตอนนี้เห็นจริงๆเลยคือเห็นจิตแวบเข้าไปในท้องหลานเพราะว่าหลานท้องแล้วม嘛หลานผสมพันธ์กันกับสามี ท้องแล้วเนี่ยอวิชาความไม่รู้ของยายเนี่ยอวิชาความไม่รู้ตัวเนี่ยปล่อยให้ยึดยึดหลานเนี่ยพอยึดหลานห่วงใยหลานนี่ก็ยายไม่รู้มาความอาวิชาไม่รู้ก็เลยเนี่ยคิดถึงหลานพอคิดถึงหลานก็จิตวิญญาณมันก็แล่นเข้าไปในท้องหลานแล่นเข้าไปท้องหลานจับจองตัวนี้เห็นเลยเนี่ยพอพุทโธพุทโธจิตมันวิ่งว่าก็ไปแล้วว่าก็ไปท้องหลาน หลานท้องเลยตอนนี้หลานท้องอ้าวก็เลยรู้เลยว่าอ้าวไอ้ที่หลานทองเนี่ยคือวิญญาณที่ไปเกิดก็วิญญาณเรานี่เองนึกว่าใครเนี่ยอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยมันไปจับจองไว้เสร็จเป็นนั่นแหลไปสังขารผสมมาติดเรียบร้อยแล้วรออะไรล่ะอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณรอวิญญาณมาเท่านั้นแหละเนี่ยแต่ความจริงอ่ะมันมันไปตั้งแต่ยังไม่ตายนะมันไปแล้วเนี่ยอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ย มันไปแล้วไปแล้วแต่รอตายจริงๆไปจริงๆอ่ะไปเข้าวผสมจริงๆอ่ะวิญญาณเป็นปัจจัยทาให้เกิดนามรูปตอนนี้ขึ้นแล้วเป็นนามรูปจริงๆแล้วตอนนี้เป็นนามรูปเป็นพลังงานขึ้นมาคือเป็นนามขึ้นมาคือเวทนาสัญญาตั้งขามวิญญาณแล้วก็เป็นรูปคือร่างกายขึ้นมาเนี่ยแต่ยังไม่ครบนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสารญาตนาหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูก็จมูกลิ้นกายใจมันก็ค่อยๆงอกขึ้นมา สมบูรณ์บริบุรขึ้นมาแล้วคลอดออกมาเราแท้จริงน่ะวิญญาณน่ะถ้ามันสิ้นการยึดเนี่ยมันไม่หลงแบบเนี้ยมันก็เป็นแต่ความว่างเปล่ามันเข้ามาผสมไม่ได้หรอกเอแต่นี้มันยึดอยู่เลยมันเข้าไปประสมได้ยึดอะไรมเข้าไปผสมได้แต่วิญญาณแท้ๆที่สิ้นยึดเนี่ยมันคือมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนกับอวกาศนี่แหละตัวตนมันไม่มีตัวตนของมันไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธ์สถานใดๆเลยไม่อาจคิดนั่นคือตอมพงแต่งอะไรได้เนี่ยแต่ที่ขันห้าที่มันผสมกันขึ้นมาเนี่ย มันเป็นของผสมไอชีวิตจิตใจที่เกิดมามีร่างกายมีชีวิตจิตใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของผสมปรุงแต่ง <inter face> เพรนั่นแหละอย่าเอาวิญญาณเนี่ยเอาจิตเดิมแท้เอาเราแท้ๆเนี่ยไปคิดไปนึกไปตึ่ไปต่อไปปรุงแต่งมิฉะนันก็จะไปเป็นขันห้าเอาขันห้าเป็นตัวเร า, เาตัวเราไปกนขันห้าอยู่เรื่อยไปอ่ะร่างกายเป็นเอาตัวเราไปปรุงแต่งได้มันก็เกิดกลับไปคืนสู่เราแท้ๆที่กลับคืนสู่จักรวาลเดิมไม่ได้เนี่ยที่ว่าเอาอากาศแห่งจิตเดิมแท้ที่ว่าเนี่ยหรือว่า เราปฏิบัติมาทั้งหมดก็คือเนี่ยกลับคืนสู่อวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมมันกลับไม่ได้อะเพราะว่ามันไปยึดอะไรซะแล้วไปสร้างภพไปแล้วรอไว้เลยไม่ต้องกลับไปไหนแล้วไม่ต้องกลับคืนสู่จักรวาลเดิมแล้วแต่มันจะไปสร้างภพอะไรตัวนี้ตัวนี้ว่ะมันก็อยู่ที่เหตุปจัจจัยเพราะเออเนี่ยเหตุปัจจัยคือเอ่าที่พุทธเจ้าตรัดว่าเหตุปัจจัยมันต้องพร้อมที่จะไปเกิดเป็นคนได้คือไอหลานเนี่ยกับสามีเนี่ย พอดีไข่ตกพอดีแล้วก็หลานกับสามีเนี่ยร่วมเพศกันร่วมเพศกันแล้วก็ไข่ตกแล้วก็พร้อมที่จะมีไข่มีไข่ขสุกแล้วก็มาะสมพันธุ์กันติดได้มันต้องพร้อมหลายอย่างแล้วก็วิญญาณของเราเนี่ยพร้อมที่จะเกิดมีบุญวัสนาบารมีที่จะเกิดเป็นคนได้ มันก็เลยพร้อมกันด้วยเหตุปัจจัยเนี่ยก็เลยเข้าไปเกิดเป็นคนได้แต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาบารมีไปเกิดเป็นคนได้แล้วก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รวมเพศกันแล้วหรือว่าเขาไม่มีผัวไม่มีเมียเขาก็เลยไม่มีโอกาสแต่เราเนี่ยรักเขาคิดถึงเขาเขาก็ไม่มีไม่มีครอบครัวเราก็ไม่ไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคน แต่รักเขาห่วงเขาที่สุดก็ต้องไปเกิดกับเขาจนได้นะเพราะว่าความรักความห่วงไม่เกิดอะไรนะเพราะเป็นคนก็ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านในเขาไปเกิดเป็นจิ้งจกตุกแกเป้าบ้านในเขาไปเป็นผีเฝ้าเขา ต, ตรงเนี้มันน่า ก, กลัวมากเลยความยึดเนี่ยพอสิ้นยึดปุ๊บมันไม่มีที่ไปมันก็กลับสู่จิตแท้กลับสู่จิตแท้กจิตเดิมแท้ที่เป็นความว่างเปล่ามันไม่ต้องไปไปติดอยู่กับอะไรเหมือนกับที่ว่าหลานคนหนึ่งที่มาปฏิบัติกับหลวงปู่อว่าน ต้องคืนฝันว่าใหญ่ถูกขังอยู่ในฝาบ้านยาที่ตายไปแล้วถูกขังในฝาบ้านมาเล่าให้น้ำปูว้านฟังน้ำปูว้านว่าโอ๊ยนี่มันยึดบ้านมาปฏิบัติธรรมก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านไอ้นั่นแน่มันยึดบ้านแล้วมันยึดบ้านตายแล้วก็ไปโดนขังอยู่ในฝาบ้านใช่ไหมน่ากลัวมากเลยที่ดยึดหยุดหไว้เนี่ย เนี่ยตัวที่จะไปยึดได้แหละมันก็ต้องเอาเนี่ยหลงเอาตัวเราไปไปปรุงแต่งได้เอาไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งได้หรือเอาตัวที่มันที่เป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยที่กําลังปรุงแต่งนั้นมาเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวไปนั่งคิดนนึกนั่งตึกนัางตองนั่งปรุงแต่งมันเลยไปยึดอะไรได้ถ้ามันเป็นใจที่ว่างเปล่ามันยึดอะไรไม่ได้หรอกมันยึดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าพอเป็นใจที่มันเป็นปกติธรรมชาติไม่มีตัวใจไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่างร มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีใจเป็นคนเป็นอยู่มีความเป็นอยู่เหมือนไม่มีใจแต่ในความไม่มีใจอ่ะมันก็มีมีอาการน้องขันห้ายุกิกุกิกยุกุกแต่อาการยุกิกยุกิกเนี่ยมันก็เป็นอิสระจากใจที่รู้สึกว่าไม่มีตัวใจไอ้ใจที่ไม่มีตัวใจอ่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นอิสระจากอาการที่ยุกิกยุกิกแล้วก็เป็นอิสระจากทุกสิ่งในโลกนี้เอ่มันเป็นอิสระอย่างแท้จริงอย่างเนี้ย แต่อย่างนี้มันก็ยากอ ย, กอยู่แหละเราพูดมันเหม่อง่ายคนไ ม, ไม่เข้าใจก็จะแต่เราก็ชี้ให้เห็นแล้วก็ตรเกตเอาแล้วกันว่าเนี่ยมันเอาตัวเราที่ไปพยายามที่จะดิ้นรนออกอะไรมันเป็นสังขารเป็นตัวปรุงแต่งถ้าเรายังดิ้นรนอยู่อย่างเนี้ยมันจะเอาตัวปรุงแต่งเอาขัาน่ามาเป็นตัวเราหรือ ว, ว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นตัวปรุงแต่งได้ไปดิ้นรนเพื่อจะออกอะไรดิ้นรนไปติดนี่แม้แต่เราอยากจะออกอะไรแต่เราเนี่ยยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราก็ติดยิ่งดิ้นยิ่งติดยิ่งดิ้นยิ่งติดเพราะอะไร มันออกไม่ได้บางทีมันก็ขับแค้นใจผลท้ายเนี่ยแหละไอ้ที่ติดพอดิ้นจะออกนั่นแหละมันก็เลยติดเพราะไอ้ดินอยากจะออกอะไรเนี่ยมันเลยติดเพราะอะไรเพราะว่าเราไปปรุงไว้แล้วว่าเราติดเราติดเราติดพอเราติดก็ออกไม่ได้มันเลยขับแค้นใจความจริงอะมันไม่มีเราไปติดอะไรหรอกเราแท้ๆมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่อาการสิ่งนั้นนะเขาไม่ติดเราแต่เราน่ยปรุงไปติดเขาเองเราเนี่ยไปปรุงไปติดเขาเองอะบางทีอะห่วงเขาแทบตายแต่เขาไม่ห่วงเราเลย แต่เราห่วงเขาเจบตายเขาไม่ห่วงเราเลยสุดท้ายผลท้ายเราติดเขาเองเราก็บอกว่าเขาติดเราแต่เราจะติดเขาน่าสงสารจริงๆเลยทงตาหลายคนนี่นะรักหลงรักเขาจะเป็นเจ็บตายเขาเชิญไปงานศพตั้งแต่สมัยเป็นกะลาว่าแล้ว เราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาสาก็เลยเชิญไปงานศพไปบ่อยแล้วว่าเ อ, อเป็นพราเนี่ยแต่เป็นพระเขาก็ไม่คอยไม่ค่อยมานิมนต์เท่าไหร่ไปเห็นโอ้บางทีเนี่ยเรานึกตลอดสองเวชตอนมีชีวิตอยู่รักเขาแต่เป็นถ้าตายพอตัวเองตายแล้วเนี่ยบางที่ไปงานศพภรรยาเขาเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งคู่กับสามีแล้วงานศพเป็นอยู่เลย ออ้แต่ตอนมีชีวิตหลงเข้าหัวปักหัวปั๊มถ้เป็นถ้าตายแต่พอตัวเองตายแล้วศพจะไม่เผาเลยเป็นงานศพเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งคู่อยู่ด้วยแหละหน้าตาจิมลิมชแมชลแมแชลแมมานั่งมานั่งคู่อยู่ด้วยแล้วโอ้เราว่านี่มันหลงโดยไม่รู้เรื่องเลยอ่าเรียนรู้บ้างหลักธรรมศาสตเดี่วตอนนี้ก็อยู่กับตัวรู้ แล้วก็เริ่มจะวางไม่ค้นหาค่ะค้นหาจนปวดหัวแล้วเริ่มเริ่มวางแล้วค่ะมันก็ก็พัดตกไปอีกด้านหนึ่งโยนมคือแช่แช่นะเริ่มวางไม่เอาอะไรไม่ใส่ใจอะไรแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเหมือนโยมที่ มาเช้าที่เรามาแย่งไม้ก็ออกไปอ่ะมาเช้าเราเห็นแล้วเนี่มาแย่งไม้ก็ออกไปที่เ็าพูดไาอยู่ก็ไม่เข้าใจอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนของโยมเขาเนี่เพราะว่าไม่อ่ะฉันไม่เอาใครแล้วไม่เอาอะไรต้องสิ้นนะฉันไม่รับรู้อะไรแล้วแต่ตอนนี้มันแช่เลยนะเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยแช่ที่ไอ้ข้อแก้ก็แกก็แก้กันเนี่แช่แช่อยู่ข้างในฉันไม่เอาอะไรแล้ว มัจะเหมือนกันที่ว่าไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเช่นนั้นไม่ไม่ไม่รับรู้เรื่ของไข่ไม่รับรู้อะไรมันถดถอยตัวเองเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วที่ถดสร้างโลกส่วนตัวไว้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวจนติดกับเลยไอ้วิธีแก้คือให้เข้าหาผู้รู้ตอนแรกมันก็ผิดคือฟุ้งซ่านวุ่นวายกับคนอื่นเข้ามากไปยุ่งวุ่นวายไปสะกดจิตให้นิ่งไว้ไม่อยากให้วุ่นวายสะกดจิตให้นิ่งไว้ก็ผิดอีกด้านหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่เอาอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ตะกดจิตแต่ฉันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วมันอะไรแช่แช่ heals, ไม่ยุ่งวุ่นวายใครไม่เอาอะไรต้องเซ่นแช่แช่ก็ต้องวิธีแก้คืออย่างทีพูดกับแม่ชีเนี่ยคือต้องเข้าหาผู้รู้ว่าใครรู้ว่าเรามีอาการแบบเนี้ยอาการแช่อาการไอคอกไอแคคเมื่อกี้นะี้ใครเ่ะเป็นผู้รู้ก็เข้ า, ขาหาผู้รู้ที่พูดได้ผู้รู้ที่คิดได้พูดได้อยู่ในใจอเ น, น่ะ <c oughs> พูดอยู่ในใจได้ น, น่ะเราจะรอดได้ ตอหลุดพ้นได้แต่การทางเดิน่ะเนี่ยเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติพัดไปพัดมา <c oughs> แต่ถ้าไม่มีคนชี้แนล่ะตายอย่างเดียวติดกลับมาทุกด้านเพราะว่าทางเดินในการปฏิบัติธรรมเหมือนเขาวงกฏเหมือนง่ายแต่ผู้เดินไม่รู้ทางมั่วเสด็จไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนที่รู้จริงชี้แนททุกก้าวที่เดินไปติดกลับหมดทุกด้านเลยติดซ้ายติดขวาติดกลับหมด เขาหาผู้รู้นะผู้รู้อาการแล้วก็เห็นว่าในใจเราพูดได้บ่นได้อันนั้นแล้วจะไปดับในใจที่พูดได้บ่นได้ให้เห็นมันในชัดๆแล้วปล่อยวางมันก็คือว่าไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปงุดหงิดไอ้ตัวเราที่พูดได้บ่นได้เราไม่เข้าไปยึดถือว่านี่คือตัวเราตัวตนของเราไอ้ตัวเราที่พูดได้บ่นได้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวปรุงแต่งตัวสมมุติเป็นตัวขันห้าเราก็จะวางมันไปได้แต่บางคนไม่เข้าใจเอจะนอนมันพูดมาหยุดสักที จะนอนพอไปเห็นมันเข out, him, out, ้าแล้วจะนอนมันพูดไม่หยุดสัทีลายดับมันเลยตอเนี้ยดับมันไม่ใช่แบบไปดับมันได้นะคือทําความรู้สึกไม่รับรู้มันแล้วก็หลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็พอตื่นมาก็ทําความเคยชินอย่างเงี้ยไม่ยอมรับรู้ว่าที่เราพูดได้บ่นได้ไปอยู่กับโลกเออบอกว่าไปเห็นตัวเราพูดได้บ่นได้มันนอนไม่หลับมันพูดไม่หยุดอ้าวก็เขาจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยพูดไมหยุดน่าเบื่อกี่บ่นเบื่อคนบ่นคนเบื่อเบื่อคนบ่นเนี่ย อมันน่าเบื่อไอเห็นตัวเรามันน้าเบื่อบนไม่หยุดอ้าวแต่ปรากฏว่าพอเห็นพอฝึกฝึกไปพอให้เห็นตัวเราเป็นคนขี้บ่นเบื่อคนบ่นอ่จารย์เขาจะฝึกให้เห็นตัวเราในขี้บ่นแล้วก็เบื่อคนบนบ่นคนเบื่อเขายืมเพลงเข้ามาใช้น่ะเบื่อคนบนบ่นคนเบื่ออะไรนะ่ยแล้วก็มันจะได้ปล่อยวางตัวเราไปอ้าวไม่เอาอ่ะเราเบื่อมันแต่เบื่ออีแบบนึงคือหนีไปหาความสงบสบายไม่รับรู้มันแต่ยังนงเนะ่ ไม่ยอมรับรู้มันการไปโลกเอ๋อไปอีกด้านนี่อา้าวหลายคนก็ทําอย่างเนี้ยเดี๋ยวเมื่อเคยเจอเหมือไงตัวเห็นตัวเราบ่นเนี่ยเราก็นอนไม่หลับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ยอมรับรู้มันแล้วไปอยู่กับโลกเ อ, อ๋อรําคานลาคาญมันแต่แล้วก็กออกมาก็ําคานคนอื่นอีกต่อแล้วเราก็พอทั้งลาคานตัวเองําคานคนอื่นแล้วไปอยู่โลกเอ๋อดีกว่า <Yeah. S 1> ก็มาเช้าเราก็แย่งไม้เขาไปอเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างเขาที่ไปโลกเอ๋อร์ที่อ เขาพูดไม่รู้เรื่องอยู่ตั้งนานเลยเราแย่งใหม่เข้าไปก็เห็นอยู่วันเช้านี่ยเพราบว่าเขาไปอยู่ในโลกแช่เขาไม่รู้เรื่องพูดยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาแช่อยู่เนี่ยสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขามีโลกส่วนตัวของเขาในใจที่เขาไปสร้างเอาไว้พูดเท่าไหร่เขก็เขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาเขาถอยหนีทุกอย่างไปถอยหนีตัวเองไม่ยอมไม่ยอมรับรู้เรื่องของตัวเองไม่ยอมรับรู้เรื่องของใครแล้วก็ที่สุดไม่ยอมรับรู้เรื่องในใจของตัวเอง แล้วคนนึกว่าอันเนี้ยเขามีความสุขที่สุดแต่หลายคนสงสารเขาบอกออกมาออกมาออกมาให้ตื่นออกมาเขาก็ทําไมหลายคนเขาเขาว่าเขาถูกที่สุดเขาสบายที่สุดกว่าใครแล้วทําไมหลายคนต้องมาห่วงเขาบ่อยเขาออกมาออกมาอพรเนี้ยเราก็ยังบอกเขาเฮ้ยไม่ควร่ะจริงๆอ่ะเราไม่อยากให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่ให้ไม่อยู่ในนั้นเลยเขาอ่ะอายุมันยังไม่ถึงขั้นที่จะไปอยู่ในบ้านคนพักบ้านพักคนชรา ถอดถอยตัวเองถอยเข้าไปเราก็รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเขาว่าเขาสุขสบายที่สุดแล้วอยู่ข้างนอกมันวุ่นวายเขาอยู่ในนั้นมีความสุขสบายสงบที่สุดแล้วถ้าเราบอกเขาไม่ไม่ไม่สุขไม่สงบแต่เขาบอกว่าในนั้นเขามีความสุขสงบที่สุดแล้วมันก็ไม่มีทางนี่ยังไงที่จะดึงออกมาได้แล้วคือดึงใจของตัวเองออกมาก็ไม่ได้ดึงร่างกายออกมาก็ไม่ได้ มันทดถอยยอมแพ้ไปหมดทุกอย่างแนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้เปล่าแลบบูนเนี่ยอแบอบกว่าพรุ่งนี้จะมาอีกจะพาเพื่อนมาอีกอะ่ะเราก็ว่าเออเ อ, อ๋เ อ, อแต่ก็ต้องเมตตาเนี่ยเราก็เมตตาสุดๆน ว, นวันเช้าก็ก็ปล่อยให้พูดอยู่คนเดียวพยายามแก้ให้เพื่อว่าจะให้เกิดความเข้าใจสุดท้ายลูนออกมาได้ไม่อยากให้ตายไปในโลกเออ อก็เข้าหาผู้รู้เลื่อยรอดนะอย่าแล้วพอมันรู้ว่าเราไม่มารู้อะไรก็รู้เราเนี่ยเห็นอะไรเราก็เอามาบ่นพูดในใจได้ยินอะไรสัมผัสอะไรก็มาบ่นมาพูดในใจมีอาการอะไรถูกใจไม่ถูกใจก็มาพูดมาบ่นในใจถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วอันเนี้มันจะไม่แช่แล้วเราก็ปล่อยวางตัวเราให้ได้ปล่อยวางไอ้ตัวเราที่พูดที่บ่นอยู่ในใจเนี่ยเนี่ยปล่อยวางไปปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้เนี่ยถ้าถ้าเห็นตัวเราพูดตัวเราบ่นเนี่ยมันจะหลุดออกจากเวทนาได้หลุดออกจาก ไอ้สิ่งที่เราไปติดรูปรถกินเสียงสัมผัสภายนอกอะไรได้เพราะไอ้ตัวเราที่พูดที่บนในใจเนี่ยมันพาให้เราไปติดรูปรถกินเสียงสัมผัสเศรษติดธรรมลมติดผัวติดเมียติดลูกติดหลานติดตบัตรพัฒนาบ้านช่องติดลาบจดตำแหน่งสุดท้ายก็มาติดร่างกายมาติดอาการของกายอาการของใจติดเวทนาเนี่ยนั้นทำไมเห็นตัวเราเจ้าเห็นผู้รู้เนี่ยแล้วที่มาพูดได้บนได้ผู้รู้ที่มาพูดได้บนได้มาภาคอะไรในใจได้เอาสิ่งที่ถูกรู้มาภาความพูดได้เราเห็นมันจะจัดๆแล้วเราก็ปล่อยวางมัน ไม่เอามาเป็นเราเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นผู้รู้เอาผู้รู้เนะี่ยมาเป็นตัวเราก็ะจะพน้นจับทุกข์ไปเลยคนมาสการ่หลังตาวันนี้หนูก็ตกซ้ายตกขวาตกซ้ายตกขวาแต่ก็เห็นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นค่ะแต่ก็รู้ว่าสังเกตวันนี้อาการปวดไม่มีโล่งขึ้นเพราะว่าจิตเป็นออกนอกเยอะอะค่ะลวงตาวันนี้ก็อาการปวดไม่มีค่ะตอนนี้ ก็เห็นช่องแล้วค่ะที่จะรอดอะค่ะมันยังไม่เห็นคิดไงไม่เก๋ไม่เห็นไม่เห็นคิดไม่เห็นพูดไม่เห็นบ่นไม่เห็นตัวเองไปรับรู้อะไรแล้วมาคิดเอามาพูดเอามาบ่นเอามาคิดตึกตองในใจเอามาพากเอามาพูด่ะที่เราบอกว่ารู้ทางออกแล้วคืออ่าตอนนี้จะไม่ไม่เข้ามาหมกมุ่นกับข้างในเราก็จะปล่อยมันออกไปข้างนอกไปรับรู้อะไรข้างนอกมันก็จะไม่มาอัดให้เราเจ็บปวดเมื่อยแต่แท้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองอะ ไม่เห็นคิดไม่เห็นจิตไม่เห็นจิตนะไม่เห็นคิดไม่เห็นจิตเคือไอ้ที่เราเพลินใจดีจังเลยตอนนี้เราเริ่มรู้ทางออกแล้วเราไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเราเริ่มรู้ทางออกแล้วเราเริ่มรู้ทางออกแล้วเราเพลินเพินดีใจในตัวเนี้แล้วเราไม่เห็นในตัวนี้มันพูดอยู่ในใจอะมันว่ามันพูดอยู่ในใจอะเราไม่เห็นพอเราไม่เห็นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็หลงแล้วครัหลง หลงพัวมาเห็นตัวพูดตัวภาพตัวเพลินอยู่ในใจตอนนี้เราเห็นรููทางออกแล้วเราไม่เข้าไปหมกมุ่นแล้วเราเรามีช่องทางที่มาทําให้เราเจ็บปวดตัวแล้วแต่นิ้วกะปุงเหมือนราเราเราเราเราเราเราทั้งออกเรารู้ทางออกเราตรงจิตออกนอกไปก็ไม่ไม่ไม่เราจะได้ไม่เจ็บปวดเมื่อยตัวเราเราเราไอการที่ไม่เห็นว่าตัวเราปุงแบบนี้เราพยายามจะช่วยตัวเราให้ออกจากอะไรอันนี้มันเป็นอวิชชาไม่เห็นเอ๋เก๋าสรุปแล้วคือไม่เห็นจิต ปฏิบัติไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดไม่เห็นความคิดไม่เห็นจิตหลวงตาหนูก็เห็นมันโบนมันดุกเห็นนู่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ไม่ถูกใจมันโบนมันพูดเห็นมันทากอยู่ตะลาว่าก็เห็นนะคะหลวงตาเห็นแต่มันมีตัวเราที่มันมีเห็นนะเห็นตัวเราตัวเราไปเห็นเอาค่ะค่ะไม่เห็นว่ามันเอาตัวเราไปเห็นนะ อ๋อค่ะค่ะเออมันเอาตัวเราไปเห็นเนี่ยเราไปเห็นมันนั่นหละไอ้ตัวไอ้ตัวเราที่เห็นไอ้ตัวเราก็พูดต่อไปเรื่อยเล่าตัวเราไปเห็นไอ้ตัวเราก็พูดต่อไปเรื่อยๆแล้วเอาตัวเราไปเห็นตัวเราพยายามก็ตัวเราก็พูดต่อไปเรื่อยมันไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปเห็นผิดเนี่ยกคุณค่ะอ่าอ่าเหยื่อารเด๋ยวก็ความเหยื่อการวยาที่เหยื่อกาบอกว่าแเรายึดอะไรอยู่หรืออ่ะก็อยู่ตัวเองว่ายึดอะไรอยู่หออ้าว อ๋อทะลุออกเลยเลยอ๋อเลยอะอเลยเลยเลยอ๋อเล้ทะลุออกอ๋อเอะอ๋อเยอ๋อเยอ่อเลยเลยเลยเลยบุญเหลือนี่ดีหลายแล้วเนี่ยดีหลายมากเลยเนี่ยเริ่มในใจเริ่มชัดเจนหลายมากเลยที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วมันจะต้องเห็นตัวนี้เพิ่มขึ้นไป เราตัวนี้เราสุดยอดเลยแต่ความจริงที่ปฏิัปฏิบัติมาเนี่ยคือถูกหลายแล้วและดีหลายแล้วล่ะจะต้องเห็นตัวนี้ก็คือว่าเอมีมีอะไรที่เรายังไปยึดอยู่ไหมเนี่ยเอมีอะไรที่เรายังยึดอยู่หรือเอหรือว่าเราไม่ยึดอะไรเราดูแล้วเราก็ไม่ยึดอะไรเนี่ยไอที่เราเนี่ยคิดลรพึงอยู่ในใจเราเราเราเอ๊เราดูแล้วเราก็ไม่ยึดอะไร หรือว่าเรายึดอะไรอยู่เราดูแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเราเรายึดอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยมันปรุงอยู่เป็นเราเรามีตัวเราเนี่ยตัวเราทนโดอยู่แต่เราไม่เห็นใช่ไหมเหอเออตรงนี้ยละเอียดมากแล้วดีแล้วล่ะเหลือเลยกะแสเลยตรงเนี้ยที่มันปรุงเป็นเราเอยู่เนี่ยบุเหลือไม่เห็นนะต้องเห็นตัวนี้เพิ่มือีกนะเออเนี่ยมันมีอยู่แล้วจริงๆในใจเราแต่เราไม่เห็นมันอะเป็นตาเมี้ให้เราเห็น มันปรุงอยู่เอ้ไอ้ตัวสํารวจตรวจสอบเนี่ยไอ้ตัวสํารวจตรวจสอบเอ้ยเราก็เราไม่ยึดอะไรแล้วนะเอ้ยไม่ยึดอะไรเราคงไม่ยึดอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดูแลเราก็ไม่มีอะไรจะยึดเราคงไม่ยึดอะไรบ้างหรือเรายึดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวตํารวจตรวจสอบแบบเนี้ยมันเป็นเราอะตำรวจตรวจสอบเพื่อตัวเราตัวเราตัวเรามันเป็นอนัตตาอยู่นะเออมันไม่ใช่เป็นอนัตตามันเป็นอวิชชาอยู่เป็นอวิชชาเป็นอวิชชาคือมีเราเป็นตัวเราหลงเป็นตัวเราเป็นตัวตนเป็นอวิชชาไม่ใช่อนัตตาพูดสิ แล้เห็นดิก็ต้องเห็นมันสังเกตให้ดีๆเพราะว่าหลวงตาพูดแล้วมันมีอยู่ในใจแต่เราไม่เห็นมันสังเกตดีๆเดี๋ยวก็โผล่ไม่เห็นเน่ยหาตามันแล้วเราก็ละไปให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นสังขารเป็นสิ่งปรงแต่งเป็นอาการปรุงแต่งพอเห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารมันก็วางไปเองเนี่ยใช่ใช่ใช่สาธุค่ะ